อาณ า, าสยามยุทธว่าด้วยกองทัพสยามกรุงเทพได้ยกพลนิกายไปกระทําการศึกสงคารามกังจักรลาวภุงขาวชาวเมืองเวนจันเป็นต้นเหตุเดิมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงคารามกังจักขมิญยวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทามหายุทธนาการในรัชกาลที่สามก ร, รุงเทพเมื่อจุลศกหลาดหันร้อยแปดปีจออาศรก ดังจะได้แสดงต่อไปนี้อ น, นามสยามยุทธตอนที่6ไปบอกรมราชวงบวรถึงกรุงเทพกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องนอนฟังช n แนลด้วยนะครับ อ่าน้ำสยามยุทธตอนที่หกฝ่ายเจ้าอุปราชเมืองเวียงจันทนั้นเมื่อตั้งอยู่ณที่เมืองยโสธรกลัวพระยาราชาสุภาวดีจะยกทัพมาตีครอบครัวของเจ้าอุปราชเจ้าอุปราชก็ยกหนีมาตั้งอยู่ที่เมืองหนองหานเพื่อจะระวังรักษาครอบครัวขันได้ทราบว่าเจ้าอนุหนีไปเมืองยวนแล้วบัดนี้ทัพหลวง ก็มาตั้งอยู่ที่ตำบลพรานพราวแล้วเจ้าอุปราชจึงได้ยกมาที่พรานพราวขอต่อแม่ทัพไทยว่าจะมาสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวด้านนายทัพไทยนำความขึ้นกราบบังคมทูลได้ทรงทราบแล้วโปรดให้เจ้าอุปราชเข้าเฝ้าที่หน้าพระปราชัยในค่ายหลวงเจ้าอุปราชกราบบังคมทูลว่าเดิมเจ้าอนุจะเป็นขบวนนั้นข้าพระพุทธเจ้า ได้พูดจาโต้อตอบทักทานห้ามปรามหลายครั้งเจ้าอนุก็ไม่เชื่อฟังกลักโกรธพานผิดจะฆ่าฆ่าพระพุทธเจ้าเสียอีกข้าพระพุทธเจ้ากลัวความตายก็ต้องยอมเข้าเป็นกบฏด้วยพอให้ผลภัยไปคราวหนึ่งเหนือความข้อนี้ข้าพระพุทธเจ้าก็ได้พูดกับพระสุริยะพักดีได้แจ้งอยู่ในใจทุกประการแล้ว ฝ่ายกรมพระราชวังบวรก็ทรงเห็นความจริงตามเจ้าอุปราชด้วยจึงโปรดให้ขุนนางผู้ใหญ่นำเจ้าอุปราชไปถือนาำพระพิพัฒน์สัตยาเสร็จแล้วไม่ให้มีโทษโปรดให้ไปเกลี้ยกล่อมพวกเราที่หนีไปอยู่ในป่าดงนั้นมารวบรวมไว้ในค่ายไทยโดยมากฝ่ายเจ้าพระยาอภัยภูธรพระยาเพชรพิชัยพระยาไกลโกษาตีค่ายเจ้าราชวงศ์ที่เมืองหลุมสัก์แตกได้แล้ว จึงได้ทราบข่าวว่าทัพหลวงก็ตีค่ายแตกทุกทุกตำบลแล้วก็เสด็จไปประทับอยู่ที่ค่ายพรานเพลาจึงได้พร้อมใจกันทั้งสามพระยายกตามเสด็จขึ้นไปตั้งค่ายอยู่ใกล้พรานเพล า, พลารักษาค่ายหลวงด้วยแล้วก็เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลข้อราชการที่ตีเจ้าราชวงศ์ในเมืองลมศักด์แตกหนีไปแล้วทุกประการฝ่ายกรมพระราชวังบวรมีจดหมายรับสั่งมาถึง กรมหมื่นสุรินทรรักษ์และกรมหมื่นรักโรณเรศฉบับหนึ่งให้นําขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทราบใต้ฝ่าละ อ, องทุลีพระบาทใจความว่าดังนี้ราชการซึ่งโปรดกล้าวให้มาตีเมืองเวียงจันทร์ครั้งนี้นั้นครั้นมาถึงตีเมืองเวียงจันท์ได้แล้วพิเคราะห์ดูการงานค่ายปัตสูหอรบที่พวกเราตั้งรับรองตามทางตลอดมานั้น เป็นท่าทางมั่นคงแข็งแรงทั้งเราจัดแจงบ้านเมืองไว้รับรองสู้รบก็ดูเข้มแข็งเต็ ม, ตมที่ที่จะเสียเปรียบมันมากนักและกำลังไพร่คนทักแกลวทหารของเราก็เต็มใจสู้รบแทบจะทุกคนเพราะเรารักครอบครัวบ้านเมืองของเราและช้างมา้าโคกระบือซึ่งเป็นพาหนะก็บริบูรณ์มากกับสเสบียงอาหารหรือก็มีพร้อมเพรียง ทางใกล้ก็ไม่ต้องบรรทุกโคต่างช้างมาส่งกันเส้นเราก็หาไม่เป็นการได้เปรียบเราทุกประตูรเราได้เปรียบเราอยู่สองอย่างคือเรารีบด่วนหนีเสียเมื่อกาลังพลยังไม่บริบูรณ์อย่างหนึ่งกับเราหนีหรือเราแตกที่ใดเราไม่เผาเสบียงอาหารตามรายทางเสียเลยอย่างหนึ่งเหตุสองประการนี้จึงได้ว่าไทยได้เปรียบเราอยู่สองอย่างเท่านั้น เมื่อนายทัพนายกองท่าเกลีวทหารไพร่พลฝ่ายไทยได้ทำราชการศึกสงครามฉลองพระเดศพระคุณครั้งนี้โดยเต็มกำลังและความคิดฝีมือทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าหาได้ด้วยความคิดและฝีมือแม่ทัพนายกองท่าเกลีวทหารไม่ได้ด้วยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวฝ่ายเดียวถ้าหากว่าจะละราชการคราวนี้ไว้ทำต่อปีหน้าแล้ว คงจะได้ความลำบากจ้าแขนแก่ไพร่ผลยิ่งนักนี่เดชะพระบารมีเป็นพระมหามสัจจันต์จึงตีได้เมืองเวียงจันท์ได้โดยง่ายโดยเร็วเพราะบุญพระบารมีเป็นที่ยิ่งอันหนึ่งกองทัพเปล่าพุงดำห้าหัวเมืองที่มีท้องตราไปเกณฑ์ให้ยกมาช่วยตีเมืองเวียงจันทนั้นและทัพเมืองหลวงพระบางด้วยอีกเมืองหนึ่งเป็นหกเมืองด้วยกันถ้าทัพไทยไม่ได้เมืองเวียงจันท ก็หามีทัพเมืองใดมาตีเมืองเวียงจันไหมมีแต่จะคอยเก็บครอบครัวช้างมา้าโคกระบืออยู่ริมเขตแดนคอยท่วงทีไหวพริบทาเป็นสองเงื่อนอยู่ทุกเมืองแต่บัดนี้กองทัพลาวภูงดำและหลวงพระบางมาถึงเมืองเวียงจันพร้อมกันหมดแล้วได้ใช้สอยเป็นปกติบ้างแต่ว่าต้องขู่บ้างปลอบบ้างแต่พอเป็นกาลังได้ กับพริคเคดูน้ำใจแม่ทัพนายกองเ่าทั้งเจ็ดหัวเมืองอยู่ยังไม่รู้ว่าจะปรวนแปรไปอย่างไรบ้างแต่เมืองหลวงพระบางนั้นอ่อนน้อมเรียบร้อยราบคาบแต่เมืองน่านนั้นเดิมทีมาถึงก็มีกิริยาไหวอยู่กว่าทุกเมืองตั้งทัพอยู่ห่างไกลเป็นที่ไม่ไว้ใจแก่ไทยแต่เดี๋ยวนี้ค่อยเรียบร้อยลงบ้าง ได้ไปมาหาสู่อยู่เสมอพูดจาคอยฟังได้แต่เมืองเชียงใหม่กับเมืองลำพูนสองเมืองนี้มีความกระด้างกระเดื่องในทีเมื่อเรียกตัวมาถามก็พูดว่าสุดแล้วแต่เมืองนครลำปางจะทำอย่างไรก็จะทำตามทุกอย่างทั้งสองเมืองแต่เมืองแพร่นั้นก็เรียบร้อยแต่เดิมมาแล้วเดี๋ยวนี้พระยานครลำปางได้ไปพูดจาชักโยง ให้เมืองลาวพงดําเหล่านั้นเป็นปกติดีเรียบร้อยแล้วทุกทัพทุกกองแต่บรรดาแม่ทัพนายกองลาวพงดําทุกเมืองได้มาสมัครสมานปรองดองคิดราชการต่อไปการที่จะส่งครอบครัวเมืองเวียงจันทร์และจะรับตามเจ้าอนุให้นั้นอันหนึ่งพระญานครลําปางคนนี้มีอัธยาศัยซื่อสัตย์สุจริตดีมากสมควรที่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมชุบเปลี้ยงให้ใหญ่โตได้ ด้วยจะเห็นเป็นราชการยืดยาวต่อไปในพระราชาณาครมรอันหนึ่งจดหมายข้อราชการตามที่ทรงพระราชดดำริซึ่งโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมพระราชทานให้พระยาพิชัยวารีเชิญขึ้นมาทรงให้ที่ค่ายตำบลมองสองแต่ครั้งก่อนนั้นก็ได้ทราบกล่าวทราบกระหม่อมทุกประการแล้วแต่จะตั้งใจอุตสาห์ทำให้ได้อย่างพระราชาดำริบ้าง คงจะไม่ได้เต็มดังพระราชดําลิบ้างพระราชาอาญาเป็นล้นเกล้าล้นกระห ม, ม่อมการซึ่งจะจัดการบ้านเมืองเราหัวเมืองประเทศสราฝ่ายทางตะวันออกในครั้งนี้ให้สมเต็มดังพระราชดําลินั้นเป็นการเปี่ยมสติปัญญาเต็มที่เป็นที่ยากเป็นล้นเกล้าล้นกระห ม, ม่อมอยู่แล้วถ้าจะคิดรบคิดตีบ้านเมืองอื่นๆอย่างเช่นเมืองเวียงจันทนี้ มาทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสักสองเมืองสามเมืองเห็นจะง่ายกว่าที่จะจัดการบ้านเมืองเวียงจันทร์ครั้งนี้ไม่ให้เป็นที่ขาดทุนรอนพระราชทับของหลวงนั้นเป็นการยากสุดสติปัญญาแล้วทำได้แต่จะต้องทอนปรนไปตามการตามสมัยถึงจะตีบ้านเมืองเหล่านี้ได้จะได้ครอบครัวมากสักเท่าใดก็คงไม่มีกาไรหรือเสมอตัวก็ไม่ได้ เพราะมารบมาตีทำแก่บ้านเมืองไพรคนในอาณาเขตของเราเองทั้งสิน้นหัวเมืองเหล่านี้ก็เป็นที่กันดานขัดสนยากจนทั้งนั้นตีได้ก็ไม่พอกับโซฮุยทับทำได้แต่เพียงรักษาเกียรติยศเขตแดนไว้ไม่ให้นานาประเทศล่วงมาหมิ่นประมาทดูถูกดูแคลนได้ก็พอดีอยู่แล้วกับจะคิดได้อีกอย่างหนึ่งถ่ายครอบเทครัวพาคนลงไปไว้ตามหัวเมืองที่ใกล้ๆกรุงเทพ ให้ได้มากพอเป็นกำลังแก่พระนครจะได้ให้ใช้รับเกณฑ์ราชการกรุงบ้างคิดได้แต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างเอกอยู่แล้วผลกว่านี้จะคิดไม่ได้คิดไปไม่ถึงพระราชอาญาเป็นล้นเกล้าล้นกละหม่อมอันหนึ่งหัวเมืองลาวฝ่ายริมหัวเมืองขเขมรป่าดงนั้นเล่าเจ้าเมืองและบุตรหลานญาติเชื้อสายเจ้านายก็ล้มตายขาดศูนเชื้อสายไปมาก เท้าเพียผู้ใหญ่ผู้น้อยก็หนีหายล้มตายเป็นอันมากเหมือนกันแต่ไพร่พลตามหัวเมืองเหล่านั้นเล่าถ้าจะคิดสิริดูเมืองหนึ่งที่จะได้ไพร่พลตึงหนึ่งบ้างไม่ถึงตึงบ้างเพราะถูกรบล้มตายหนีหายไปในทิศ ต, ต่างๆบ้างถ้ามีราชการเกี่ยวข้องในหัวเมืองเหล่านั้นแล้วจะใช้คนไปมาถึงกันและกันระหว่างทางก็ห่างไกลกว่าจะได้รู้ราชการก็ช้านานนัก เกือบจะเสียการบางทีเสียการไปแล้วจึงรู้การเมื่อก่อนล่วงไปแล้วถ้าเป็นการฤดูฝนจะใช้คนเดินไปมาหากันก็ไม่ใครจะได้ครับ ด, ด้วยการหลายอย่างเป็นการที่มีความขัดข้องดังนี้จึงจะทําให้ราชการเร็วตามความประสงค์ไม่ใครจะได้อันหนึ่งได้มีท้องตราพระราชสีวังหน้าบังคับบัญชาทอดทุระมอบราชการ ไปให้พระยาราชสุภาวดีประจําอยู่แรมปีให้จัดการบ้านเมืองให้ได้ราชการบ้างให้จัดแจงเมืองจัมปาศักดิ์และเมืองลาวต่างๆเมืองขเขมรป่าดงให้ราบคาบเรียบร้อยตามท้องตราพระราชสีวังหลวงที่โปรดเกล้ามานั้นบ้างอันหนึ่งทางเมืองหล่มสักทางเมืองหล่มเลยเหล่านั้นเล่าจะให้พระยาเพชรพิชัยและพระยาสมบัติบาลสองนาย เป็นผู้ไปจัดการบ้านเมืองลาวเหล่านั้นให้เรียบร้อยดีแต่จะให้กลับไปเมืองหล่มเลยในรูปฝนนี้ก็เห็นว่าทางกลางป่ามีความเจ็บไข้ร้ายแรงนักจึงให้รอไว้ต่อตกแหลงสักหน่อยจึงจะให้ไปจัดการบ้านเมืองหล่มเลยก็พอจะทันการได้เห็นจะหาเป็นไรไม่แต่ราชการเมืองเวียงจันนั้นเล่าเมื่อเจ้าอนุหนีออกไปจากเมืองเวียงจันนั้น วันเดียวกันกันกบกองทัพไทยฝ่ายหน้าตีค่ายลาวที่ทุ่งส้มปล่อยแตกกว่ากองทัพไทยจะยกขึ้นไปถึงค่ายลาวที่เขาสารยกเข้าพร้นตีลาวแตกก็หลายวันจึงได้ยกข้ามเขาสารต่อไปถึงเมืองเวียงจันท์เมืองเวียงจันทร์กับเขาสารระยะทางห่างกันห้าวันถ้าคิดแต่วันที่เจ้าอนุหนีไปจากเมืองเวียงจันทในวันพร้อมกันกันกบกองทัพไทยที่ค่ายทุ่งส้มปล่อยได้ เป็นหลายวันสักเจ็ดวันแปดวันเจ้าอนุจึงหนีห่างไกลไปจากเมืองเวียงจันท์ได้ถนัดเหตุนี้นายทัพนายกองไทยจึงตามจับเจ้าอนุไม่ทันท่วงทีซึ่งเจ้าอนุฆ่าสึกตัวสําคัญหนีไปได้พระราชอาญาเป็นหล่นเกล้าหล่นตระม่อมตกอยู่กับแม่ทัพหลวงและนายทัพนายกองทั้งสิน้นแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ ม, ม่อมถึงได้เมืองเวียงจันครั้งนี้นับว่า ได้แต่เปลือกเมืองเปล่าสิ่งของครอบครัวในเมืองเวียงจัน์เจ้าอนุเก็บไปสิ้นเพราะไปเรือจึงบรรทุกของดีไปได้มากเครื่องศัตรูวุธที่ในเมืองนั้นสืบทราบว่าเจ้าอนุทิ้งน้ําเสียหมดพระพุทธรูปที่สําคัญสําคัญก็ทิ้งน้ําเสียบ้างแต่กําลังสืบเสาะตามค้นหาอยู่ทุกแห่งทั้งในน้ําและบกด้วยยังหาอยู่ถ้าได้เมื่อใดจึงจะมีใบบอกมาครั้งหลัง บัดนี้ครอบครัวเราก็ยังกําลังปะปนกันอยู่กับครอบครัวเมืองนครราชสีมาเมืองสระบุรีเมืองลมศักดิ์และหัวเมืองเราตามลําแม่น้ํำขงและเมืองขเขมรป่าดงตะวันออกด้วยซึ่งจะคัดเลือกแต่ครัวเวียงจันทร์โดยเร็วนั้นหาได้ไม่เพราะปะปนกันอยู่กับเมืองเหล่านั้นหาความผิดไม่ได้จะต้องเลือกแต่ครัวเวียงจันท์แท้ๆอีกประการหนึ่งครัวเวียงจันทร์ที่หนีไปอยู่ในป่า ถ้ากองทัพ ก, กรุงยกไปติดตามน้อยตัวครัวมากกว่าก็ต่อสู้แข็งแรงถ้ากรุงยกไปติดตามโดยมากพวกครัวน้อยก็หนีเข้าป่าไปเสียบางทีได้มาบ้างแต่คนแก่ชราที่หนีไปไม่พ้นบางทีนายทัพนายกองไทยที่เข้มแข็งไปกว่าต้อนครัวลาวมาได้สามร้อยคนบ้างสองร้อยคนบ้างจะเลือกคนชะกันแต่สักเก้าคนสิบคนก็ไม่ใคร่จะได้ ถ้าพวกกองทัพลาวพงดำยกไปเกลียกร่อมในป่าถึงไปน้อยก็ได้ครอบครัวเวียงจันมามากด้วยเป็นลาวเหมือนกันครัวหาต่อสู้รบไม่มาเลือกคนชะกันได้มากขันจะคิดให้ตั้งเมืองเวียงจันไว้ให้เป็นที่เกลี้กร่อมค ร, รอบครัวก่อนก็หาผู้ใดที่จะอยู่ดูแลรักษาบ้านเมืองเป็นที่ไว้วางใจได้ก็ไม่มีเลยขันจะให้พวกเมืองหลวงพระบางอยู่รักษา แต่กำลังหลวงพระบางเมืองเดียวก็ไม่ได้เพราะยังไม่ได้เจ้าตัวนุเจ้าปาสัก์เจ้าราชวงเจ้าสุธิสารเจ้าถงซึ่งเป็นคนแข็งแรงในการศึกมากเห็นว่าแต่กำลังหลวงพระบางเมืองเดียวจะรับพวกไอ้เราร้าไม่ได้ครั้นจะให้กองทัพไทยอยู่เกลื้กล่อมทัวร์เราัรวลเราก็ไม่ไว้ใจไทยเลยเพราะเหตุนี้จึงมีคาสั่งให้ทาลายล้างเมืองเวียงจันท์ให้สิ้นเชิง จะได้เป็นการสิ้นอาลัยของไอ้พวกเหล่าร้ายที่จะหมายมาตั้งบ้านเมืองอีกไม่ได้อันหนึ่งครอบครัวเมืองเวียงจันที่หลบลีหนีไปทางเมืองนครลําปางบ้างเมืองนครเชียงใหม่บ้างเมืองนครลําพูนบ้างเมืองแพร่บ้างแต่ไปทางเมืองหลวงพระบางนั้นเป็นอันมากไปถึงบ้านเมืองเหล่านั้นแล้วก็มีบ้างที่ตกเรือเสียหายอยู่ตามทางเมืองนั้นๆบ้างก็มี ที่ไปไกลถึงเขตแดนเมืองยวนนั้นก็เห็นมีจะศูนย์แต่ที่ตกไปถึงลาวพุงดําดังที่ว่ามาข้างบนนั้นสัรจะชําระเรียกครอบครัวเวียงจันท์คืนกลับมาก็เห็นจะต้องกดขี่หัวเมืองลาวพุงดําเหล่านั้นให้ถึงขนาดจงหนักจึงจะได้ครัวคืนมาถ้าทําดังนั้นหัวเมืองลาวพุงดําซึ่งเป็นเขตแดนพระราช า, าจักรกรุงเทพก็จะชกช้าได้รับความเดือดร้อนเสียใจมากนะ แต่จะต้องคิดผันผ่อนปลอบโยนโดยดีควรได้คืนมาบ้างก็จะได้ถ้าไม่ได้ก็แล้วไปนึกว่าฝากไว้ที่บ้านเมืองของเราเองดีกว่าจะไปทางเมืองยวนและเมืองกินห่อนั้นจะสูญเสียเปล่าๆไม่มีประโยชน์อันใดอันหนึ่งคิดประมาณพลเมืองเวียงจันทร์และหัวเมืองขึ้นกับเมืองเวียงจันท์คิดแต่ที่ชะกันสักแปดหมืเศษหรือแสนเศษเหล่านั้น ถ้าบ้านเมืองเวียงจันยังเป็นปกติดีอยู่ถ้าจะกะเกณฑ์พลลาวเป็นกองทัพใหญ่ให้ลงไปกรุงเทพหรือจะเกณฑ์ให้ไปไหนไหนคงจะได้พลแต่เพียงแปดพันเก้าพันหรือหมื่นหนึ่งถ้าจะกดขี่ให้ได้มากก็เพียงสองสามสี่หมื่นเท่านั้นเป็นเต็มว่าได้มากเต็มที่เพราะคนจากบ้านจากเมืองไปไกลเจ้าอนุเป็นคนกีดกันห่วงเห็นไพร่พลอยู่ด้วย แต่กําลังปองทัพไทยจะเร่งรัด ก, กว่าต้อนครอบครัวเวียงจันทน์ผลเลาที่จะกันให้ได้หมื่นหนึง่งจนถึงเดือนห้าปีหน้าก็ไม่สําเร็จถึงมากว่าจะได้ครัวเวียงจันทร์ในระหว่างปีนี้จะต้อนครัวลงไปกรุงเทพก็ยังไม่สะดวกเพราะด้วยจะไปทางเมืองนครราชสีมาเมืองนครราชสีมายักเยินป่นปี้มากขัดสเสบียงอาหารมาแต่ปีกลายแล้วปีนี้ ก็ไม่ได้ทำไรทำนาจะหาอะไรมาเลี้ยงครัวเล่าจะรีบเดินครัวเวียงจันลงไปให้สิ้นเชิงในฤดูนี้ไม่ได้ขัดสนด้วยสเสบียงอาหารจะไม่พอเลี้ยงครัวลาวขันจะรออยู่แรงปีจนฤดูแ้งหน้าจึงจะต้อนครัวลาวลงไปก็เห็นว่าข้าวเปลือกตามหัวเมืองรายทางก็จวนจะหมดอยู่แล้วจะไม่พอเลี้ยงครัวลาวแต่กองทัพไทยที่จะยกลงไปกรุงเทพจะรับพระราชทาน ก็จะไม่พอจ่ายทั่วทุกทับทุกกองกำลังข้าราชการก็จะหย่อนลงมากเพราะเกียรติยศแผ่นดินก็จะเสียไปหัวเมืองประเทศราชก็จะเห็นกำลังกรุงเทพเสียด้วยก็จะมิประมาทพระราชาอำนาจแผ่นดินไทยได้ต่างๆนานาเพราะข้าวปลาอาหารไม่เพียงพอเลี้ยงผู้คนในกองทัพไทยอันหนึ่งทุกวันนี้ที่กองทัพกรุงและหัวเมืองซึ่งมารับราชการอยู่พร้อมกันนั้น อดอยากเจ็บไข้หลงตายก็มากถึงเช่นนั้นกองทัพไทยเราเห็นใจกันครั้งนี้ว่าคิดการที่จะให้เป็นพระเกษยษยษยียรติยศแก่บ้านเมืองไทยและคิดที่จะฉลองพระเดศพระคุณกวาต้อนคนกันเวียงจันลงไปทูนเกล้าทุนกระมมถวายให้ได้สักดหมื่นเศษก่อนในต้นฤดูฝนนี้ให้จงได้แต่ครัวที่ตกไปอยู่ตามหัวเมืองเขมรป่าดงนั้นเหมือนหนึ่งฝากไว้ให้เลี้ยงไปก่อน ต่อฤ ด, ดูแรงหน้าจึงจะคิดคืนมาให้ได้บ้างนอกจากจํานวนหมื่นที่ส่งลงไปครั้งนี้เหตุทั้งนี้จึงได้พูดกับหัวเมืองลาวพุงดําและพระบางที่ยกทัพมาล่าไม่ทันราชการทั้งหกเหมือง น, นั้นปรับโทษหัวเมืองทั้งหกว่ามาตีเมืองเวียงจันทร์ไม่ทันทัพหลวงมีความผิดมากตกอยู่ในระหว่างเป็นกองทัพมีโทษตามบทกฎหมายพระอัยการศึกฝ่ายพระยานครลําปาง พระยาณั่นพระยาแพทยพระยาอุปราชเชียงใหม่พระยาอุปราชลําพูนเจ้าอุปราชหลวงพระบางและแสนเท้าพระยาราวนายทัพนายกองทั้งหกเมืองเข้าชื่อกันทําเรื่องราวสารภาพรับผิดถวายแม่ทัพหลวงขอพระราชทานทําการฉลองพระเดศพระคุณแก้ตัวต่อไปรับอาสาจะติดตามจับตัวเจ้าอนุและเจ้าปาสักเจ้าระชวงเจ้าสุธิสารเจ้าถุงเจ้าหนอคํา และบุภรรยาของเจ้าอนุมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้ได้ถึงมาดว่าจะไม่ได้ตัวกบฏเหล่าร้ายเหล่านี้ก็ดีก็คงจะคิดจัด ก, การบ้านเมืองไม่ให้กบฏเหล่าร้ายเหล่านี้กลับมาตั้งที่บ้านเมืองให้เป็นเส้นหนามแผ่นดินต่อไปได้หัวเมืองทั้งหกจะคิดกว่าต้อนครอบครัวลาวเวียงจันรส่งลงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจะให้ได้สักสองสามหมื่นแต่พื้นที่เป็นคนชะกัน รวมทั้งครอบครัวเข้าด้วยคงให้ได้สักเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเหล่านั้นจะทูลขอแต่กองทัพไทยและข้าราชการผู้ใหญ่ไว้สักสองคนพลทหารสักพันหนึ่งหรือห้าร้อยคนพอจะได้ตัดสินว่ากล่าวหัวเมืองอย่าให้วิวาดกันได้แต่กองทัพพระยานครลำปางพระยาน่า น, านพระยาพภสพระยาอุปราชลำพูนพระยาอุปราชเชียงใหม่เจ้าอุปราชหลวงพระบาง รวมนายพรใทั้ง6หัวเมืองเป็นคน 14,011 คนที่จะอยู่แรมปีจัดครัวเวียงจันทร์ส่งไปกรุงเทพกว่าจะสำเร็จราชการขอเชิญเสด็จทัพหลวงกลับกรุงเทพแต่จะขอส่งครัวเวียงจันทร์ให้ทันทัพหลวงกลับนี้สักส่วนหนึ่งจะขอค้างไว้ส่งต่อรดูแรงหน้าสองส่วนอันหนึ่งทัพหลวงขึ้นมาพร้อมด้วยญาติวงสารวงพระยาพระ หลวงนายทัพนายกองทั้งปวงนั้นพร้อมการตั้งใจทำราชการฉลองพระเดศพระคุณครั้งนี้มิได้คิดแก่เหนื่อยยากลาบากเลยคิดจะอยู่ค้างปีต่อไปอีกให้สำเร็จการงานที่เมืองลาวให้สิ้นเชิงแต่ว่าหัวเมืองลาวทั้งหกเขาขอให้กลับจึงได้บอกลงมายัางกรุงเทพอันหนึ่งครัวและชะกันที่นายทัพนายกองไทยจับได้บ้างและครัวชกันที่หัวเมืองทั้งหกจะส่งลงไปบ้างรวมกัน ก็เป็นครัวมากอยู่เกือบหมื่นคนแต่เห็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมว่าสเสบียงอาหารตามหัวเมืองไทยรายทางที่จะเดินครัวลาวลงไปนั้นพันอยู่ข้างจะอุดวิดไม่พอเลี้ยงครัวกองทัพกรุงที่จะลงไปครั้งนี้ก็จะไม่ได้รับพระราชทานเป็นกาลังราชการลงไปบัดนี้ขอพระราชทานได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้าหลวงผู้ใหญ่อีกสักสีห้านาย มาทายเสบียงอาหารที่กรุงเทพจ่ายเสบียงเลี้ยงครัวตามรายทางตั้งแต่เมืองสระบุรีตลอดขึ้นมาถึงเมืองชัยบาดาลเมืองเพชรบูร์และเมืองนครราชสีมาด้วยแต่ทางเหนือนั้นได้มีตราสั่งไปถึงเมืองพิชัยเมืองพิจิตเมืองสวรรคโลกและเมืองเหนือนั้นให้ส่งเสบียงมาเลี้ยงหัวเมืองทั้งหกที่อยู่รับราชการที่เมืองเวียงจันท์ด้วยแต่ทางเหนือนั้นเห็นทีจะส่งขึ้นไปยาก เพราะทางไกลที่ทางใกล้ก็เข้าปลาอาหารหมดสิน้นเพราะรับราชการมาช้านานแล้วและไม่ได้ทําไร่ไถนามาช้านานจึงขัดสนข้าวปลาอาหารอันหนึ่งถ้าราชการที่อ้ายพระยาเชียงสาและเมืองสกลนครเป็นประการใดเป็นที่ไว้ใจได้แก่แม่ทัพนายกองผู้ใหญ่ได้แล้วเห็นว่าข่าศึกเบาบางลงบ้างควรทัพหลวงจะกลับได้ก็จะกลับลงมาจากเมืองเวียงจันท์ จะได้ลงมาเฝ้าทูลละ อ, องธุรีพระบาทณกรุงเทพแต่ณเดือนแปดกลางเดือนอยู่ที่เมืองเวียงจันนี้เป็นการห่างไกลใต้ฝ่าละ อ, องธุลีพระบาทจึงไม่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาชี้แจงให้ทรงทราบใต้ฝ่าละ อ, องธุรีพระบาทร่มมืนสุรินทรลักษณ์ร่มมืนรักโรณเลศอยู่ที่กรุงเทพเป็นการใกล้ฝ่าละ อ, องธุลีพระบาทขอให้ท่านทั้งสองกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบการที่ห่างไกล ให้ทราบใต้ฝาโลองสุรีพระบาทได้โดยอย่างที่แจ้งมานี้อันหนึ่งได้ทําราชการครั้งนี้คงคิดไม่ให้เสียการราชการเมื่อไรายได้ลงไปเฝ้าฝาโลองสุรีพระบาทจึงจะ ก, การบาบบังคมทูลพระกรณุณาต่อพระโอร์ด้วยข้อราชการที่สําคัญให้ทรงทราบใต้ฝ่าโลองสุรีพระบาททุกประการอันหนึ่งบัญชีรายครอบครัวกับสิ่งของซึ่งได้ไว้ในคราวสึกเวียงจันทร์ในใบบอกและหางเว่าว ที่มีลงมาในท้ายใบบอกครั้งนี้จะถือเป็นแน่ยังไม่ได้ด้วยเป็นการประมาณยังไม่ได้ตรวจตราสอบสวนลงเป็นแน่ได้เพราะยังกำลังให้ชําระสืบสวนเก็บรวบรวมต่อไปยังมีมากถ้าได้ครอบครัวและคนชะกันหรือสิ่งของอีกภายหลังมากน้อยเท่าไหรจึงจะทำบัญชีเป็นแน่ทั้งเก่าใหม่ส่งลงมาทูนเกล้าทุนกระหม่อมถวายให้สิ้นเชิง จะไม่ปิดบังแบ่งไว้เป็นของในพระราชาวังบวรเลยถ้าลงมาถึงกรุงเทพจึงจะกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเป็นส่วนแบ่งปันบ้างแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระห ม, ม่อมพระราชทานให้ได้เท่าไดก็จะได้แต่เท่านั้นอันหนึ่งช้างพลายพังที่ตีได้ตามค่ายรายทางของเหล่านั้นเลือกแบ่งแต่ที่รูปร่างงามดีร้อยสิบช้างบรรทุกดินดําให้หลวงนายศัก์ นายเวณมหาดเล็กกับจะหมื่นทิพเสนาคุมลงมาทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายทั้งคนทั้งช้างก่อนให้กรมหมื่นรักกรนาเรศครับช้างและคนปลนปลื้อไว้ใช้ในราชการฟลางไปก่อนถ้าได้ลงไปครั้งนี้ยึ่งจะหาช้างคลายพังลงไปทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายอีกจะได้ไว้ใช้ราชการสำหรับแผ่นดินด้วยคงจะให้ได้ลงไปครั้งนี้อีกพันสองร้อยช้างหรือพันสาร้อยช้างเป็นแน่แต่ม้านั้น ยังเที่ยวเก็บหาได้น้อยนะักเพราะจะหาม้าที่ดีที่งามให้ได้มากด้วยหายังไม่ได้มากแต่คงจะหาม้าลงมาทุนเกล้าทุนกระม่อมถวายไว้ใช้ในราชการแผ่นดินให้ได้สัก5้าพันมายังคงจะหาทั้งช้างทั้งมา้าให้ได้สิ่งละหลายร้อยหลายพันแต่เดี๋ยวนี้จะกำหนดว่ามากและน้อยยังไม่ได้เพราะกำลังตามหาอยู่เพราะไพ่พลเมืองเราพาช้างและม้าที่ดีด ไปซ่อนเสียในบ้านป่าที่ไกลตามยากนะักอันหนึ่งปืนใหญ่ที่ได้มาตามค่ายลาวที่เวียงจันน์นั้นขันจะบรรทุกลงมากรุงเทพก็ไม่ได้เพราะช้างทนไม่ไหวด้วยทางไกลขันคิดจะทำตะเค้ไม้ชักลากลงมาก็เป็นฤดูฝนตกทางลุ่มลุ่มดนๆดนเป็นโคลนลากมาไม่ได้ขันจะค้างไว้ตามหัวเมืองลาวก็ไม่ไว้ใจแกราชการเพราะเป็นเครื่องอาวุธใหญ่อยู่ด้วย ปืนใหญ่เหล่านั้นรูปร่างจะหางามสักกระบอกเดียวก็ไม่มีรูปร่างขายกับเทียนเข้าพันษาเป็นปืนหลักทุกบอกไม่มีโลที่จะลากได้ดูเร้อราหน้าเกลียดนักพระราชทธานพระบรมราชาอนุ ญ, ญาตให้ยอนเนื้อทองสำริดบ้างทองเหลืองบ้างบรรทุกช้างลงไปกรุงเทพแล้วจึงจะคิดหล่อปืนใหญ่ใช้เป็นลูก ง, งามๆทูลกล้าวทูลกระมมถวายใช้แทนที่ทาลายเสียนั้น กำหนดจะได้เดินครอบครัวลงมาอีกตามหลังหลวงนายสักลงมาจะจัดให้เดินหนึ่งเมืองกันจนสิ้นฤดูฝนนี้อันหนึ่งนายทัพนายกองไทยที่ทำราชการศึกครั้งนี้ที่ดีก็มีบ้างแต่น้อยตัวที่ชั่วก็มีบ้างถ้าแม้จะลงโทษนายทัพนายกองของเราตามอาชญาศึกแล้วก็เห็นว่าจะเปลี่ยนค น, นจะไม่มีคนใช้สอยพอกับราชการทางไกลต้องอดเอาเบาสู้ ไปตามทางกัณดรา น, นั้นก็หากสำเร็จไปได้คราวหนึ่งไม่เสียมเสียพระเกษยษียรติยศพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวของเราก็เพราะพระบารมีปกกล้าประกร ม, มนายทัพนายกองอยู่ทุกคนจึงทำราชการฉลองพระเดชพระคุณได้ชัยชนะแก่ข้าศึกเหลา่ามาทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายได้จดหมายข้อราชการฉบับนี้ขอให้ท่านกรมหมื่นสุรินทรรักและกรมหมื่นรักรนเรศ ทั้งสองพระองค์นำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายที่รับรับให้ทรงทราบใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทควรไม่ควรพระราชาอาชญาเป็นล้นเกล้า ล, ล้นกระหม่อมสุดแล้วแต่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะบัญชีห่างเว่าในหางเว่าท้ายรับสั่งมีความว่าดังนี้ พระพุทธรูปสำหรับบ้านเมืองเวียงจันนั้นคือพระบางหายไปสืบได้ข่าวแต่เพียงว่าพวกข้าพระโยมสงหามพาไปจากวัดจะพาไปทิ้งน้ำหรือฝังดินก็สืบถามยังหาได้ความแน่นอนลงไปถ้าจะว่าเจ้าอนุพาไปก็เห็นจะพาไปไม่ไหวเพราะพระนั้นสูงถึงสามศอกเกือบสี่ศอกห้าศอกมีน้ำหนักมาก คงไม่พาไปได้แน่แต่จะอยู่ไหนยังสืบไม่ได้ความเลยได้แต่พระศิมหนึ่งพระไสหนึ่งพระสุขหนึ่งพระแช่คํหนึ่งพระแก่นจันหนึ่งกับได้พระเงินหล่อบ้างพระเงินบุบบ้างสี่องค์แต่เป็นองค์ใหญ่ๆรวมกันเป็นเก้าองค์พระในเก้าองค์นี้จะนำลงไปกรุงเทพได้แต่พระแช่คําพระองค์เดียว เพราะย่อมพอแก่จะบรรทุกช้างไปได้แต่พระอีแปดองค์นั้นใหญ่นักหนารับไปไม่ได้จะต้องบรรจุพระเจดีเสียดีกว่าไว้ให้เป็นเหื่อแกพวกอันธพาลได้พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้ในพระแช่คำร้อยพระองค์กับได้พระพุทธรูปทองคำเป็นพระพุทธเจ้าฉันผลสมอหน้าตักยี่สิบนิ้วพระองค์หนึ่งเป็นพระบุทองคำ หาใช่พระหล่อไม่ได้พระนาคสวาหน้าตักสิบนิ้วพระองค์หนึ่งเนื้อนาคหนักสิบเจ็ดช่างได้พระนาคสวาหน้าตักแปดนิ้วพระองค์หนึ่งเหนือนาคหนักสามสิบช่างสิบตำลึงแต่พระพุทธรูปนาคสวาทั้งสองพระองค์นั้นเห็นจะแก้ไขพระรูปพระภักให้ดีได้จึงจะส่งลงไปกรุงเทพ กับได้พระพุทธรูปหน้ากรกทำด้วยศิลาดีกระเบือหน้าตักห้านิ้วพระองค์หนึ่งก็จะส่งลงไปกรุงเทพด้วยแต่พระพุทธรูปที่ใหญ่โตและชํารุดหนักจะส่งไปกรุงเทพไม่ได้นั้นจะให้บรรจุไว้ในพระเจดีย์ซึ่งจะก่อใหม่ที่ค่ายหลวงพรานพร้าวที่เหนือวัดซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงสร้างไว้ เมื่อเสด็จขึ้นมาตีเมืองเวียงจันทร์ครั้งแผ่นดินกรุงธนบุรีนั้นครั้งนี้ได้ก่อเจดีย์ฐานไว้ให้ต่อเนื่องพระเกียรติยศสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงต่อไปพระเจดีย์ครั้งนี้ฐานกว้างห้าวาพระองค์พระเจดีย์สูงตลอดยอดแปดวาสองศอกที่ได้ทรงบรร จ, จุพระพุทธรูปไว้ให้เป็นที่สักการะบูชาแก่เทพามนุษย์อิฐซึ่งจะได้ก่อพระเจดีย์นั้น ให้เกณฑ์ให้คนในกองทัพไทยทำอิฐเสมอคนละสองแผ่นโก่แล้วโปรดให้นำแผ่นศิลามาจากพระนามพระเจดีว่าพระเจดีปราบเวียงจันและจดหมายเรื่องราวที่เจ้าอนุกระทำความชั่วต่อแผ่นดินนั้นจะรึกไว้ในแผ่นศิลาให้ปรากฏแก่ประเทศราชลาวอยู่ชั่วฝาดินอย่าให้หัวเมืองลาวประเทศราชทั้งปวงดูเยี่ยงอย่างเจ้าอนุ ผู้เป็นต้นคิดปฏิทุสล้ายเป็นขบฏต่อไปขันทรงจดหมายใบบอกนี้แล้วจึงโปรดให้จะมื่นมหาสนิทหัวหมื่นมหาเล็กกับพระอินทราธิบานที่เจ้ากรมพระตํารวจวางหน้าทั้งสองนายนี้เชิญจดหมายใบบอกลงมาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัวณกรุงเทพจดหมายใบบอกกรมพระราชวังบวรฉบับนี้ ไม่ได้ตัดรอนกล่าวไว้เต็มตามต้นฉบับเดิมเพราะจะให้ท่านทั้งหลายฟังสำนวนท่านโบราณเป็นขนบธรรมเนียมราชการต่อไปภายหน้าอานา้มสยามยุทธโปรดติดตามตอนต่อไป